ลำดับนั้นพระเจ้าสัญชัยได้ทรงสดับพระดํารัสแห่งพระราชโอรสก็ทรงคล้อยตามเพื่อวิงวอนพระสุนิสาพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระมหาราชาทรงคล้อยตามเพื่อทรงวิงวอนพระสุนิสาว่าแน่แม่มาซีผู้มีร่างกายอัญชโลมจันทร์ เจ้าอย่าได้ทรงธุลีละองเลยแม่มัสสีเคยทรงผ้ากาสีอย่าได้ทรงผ้า ค, คากรองเลยการอยู่ในป่าเป็นความลาบากแน่แม่มสัสสีผู้มีลักษณะงามเจ้าอย่าไปเลยนะบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทรงคล้อยตามปฏิปัตชะทะความว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าสัญชัยได้ทรงสดับพระดารัส ของพระราชโอรสแล้วได้ทรงคล้อยตามเพื่อทร ง, งวิงวอนพระสุนิสาข้อว่าแน่แม่มาศีผู้มีร่างกายอัญชโลมจันทร์ยา่ามาจันทนสมาจารีได้แก่แน่แม่ผู้มีสรีระรูปร้ายด้วยจันแดงข้อว่าแน่แม่มาศีผู้มีลักษณะงามเจ้าอย่าไปเลยนะ มาหิตวังลักขณีคมิได้แก่แน่แม่ผู้ประกอบด้วยลักษณะอันงามแม่อย่าไปป่าเลยพระนางมัสสีราชบุตรีผู้งามทั่วพระอวรากายได้กราบทูลพระสัสรุณนั้นว่าความสุขอันใดจะพึงมีแก่กล้าวกระหม่อมฉันโดยว่างเว้นพระเวสสันดร กล้าวกระหม่อมชั้นไม่พึงปรารถนาความสุขอันนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้กราบทูลพระ ส, ะสัสรุณนั้นตมะพระวิความว่าได้กราบทูลคือได้เพชรทูลพระ ส, ะสัตรุณนั้นพระมหาราชาผู้ประดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญได้ตรัสกับพระนางมสีนั้นว่า เชิญฟังกอนแม่มะซีสัตว์อันจะรบกวนยากที่จะอดทนได้มีอยู่ในป่าเป็นอันมากคือเหลือบตะกะแตนยุงและพึ่งพวกมันจะพึงเบียดเบียนเธอในป่านั้นความทุกอย่างยิ่งนั้นจะพึงมีแก่เธอเธอจะต้องได้พบสัตว์ที่น่ากลัวอื่นๆซึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่น้าเช่นงูเหลือมเป็นสัตว์ไม่มีพิษแต่มันมีกาลังมาก มันรัดมนุษย์หรือแม่เนื้อที่มาใกล้ๆด้วยลำตัวเอามาไว้ในขนดของมันเนื้อร้ายอย่างอื่นๆเช่นหมีมีขนดำคนที่มันพบเห็นแล้วหนีขึ้นต้นไม้ก็ไม่พ้นควายเปลี่ยวขิดเฟื้ออยู่เขาทั้งคู่ปลายคมกริบเที่ยวอยู่ในถินน่นี้ใกล้ฝั่งแม่น้ำโสตุมพระแนะ่แม่มะซี เธอเปรียบเหมือนแม่โคโนมรักลูกเห็นฝูงเนื้อและโคถึกอันท่องเที่ยวอยู่ในป่าจากทำอย่างไรแน่แม่มัซสีเธอได้เห็นฝูงลิงอันน่ากลัวที่ประจวบเข้าในหนทางที่เดินได้ยากความพรั่นพรึงจะมีแก่เธอเพราะไม่รู้จักเขตเมื่อเธออยู่ในพระนครได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนย่อมสะดุ้งตกใจเนือง เธอไปถึงเขาวงกฏจกทาอย่างไรเมื่อฝูงนกพากันจับเจ้าในเวลาเที่ยงป่าใหญ่เหมือนส่งเสียงกระหึมเธอปรารถนาจะไปในป่าใหญ่นั้นทำไมบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้ตรัสกับพระนางมัตสีนั้นตมบพระวิได้แก่ได้ตรัสกับพระสุนิสานั้น ข้อว่าเธอจะต้องได้พบสัตว์ที่น่ากลัวอื่นๆอปเรปัสสันตาเสได้แก่จงดูคือจงเห็นเหตุที่ให้เกิดภัยที่น่าหวาดสะดุ้งอื่นๆคําว่าซึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ํานาทีนูปนิเสวิเตได้แก่เข้าไปเสพอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ําโดยสถานที่ใกล้คําว่าไม่มีพิษ อวิสาได้แก่ปราศจากพิษคำว่าใกล้อปิจาสันนังได้แก่ใกล้คือมาสัมผัสสรีระของตนคำว่าเนื้อร้ายอคัมมิคาได้แก่มรึกที่ทำความลำบากอธิบายว่ามารึกที่นำความทุกมาให้ข้อว่าใกล้ฝั่งแม่น้ำโสตุมพระ นาทิงโสตุงพรังปติได้แก่ที่ริมฝั่งแม่น้ำชื่อโสตุงพระคำว่าฝูงยูฐานังได้แก่ซึ่งฝูงปาะก็อย่างนี้แหละข้อว่าเหมือนแม่โคโนมรักลูกเทนุวะวัชคิดทาวะความว่าเธอเป็นเหมือนแม่โคโนมรักลูกเมื่อไม่เห็นลูกๆกของเธอจะทาอย่างไร ก็วะอักษรในคำว่าวัชคิดทาวะนี้เป็นเพียงนิบาทเท่านั้นคำว่าที่ประจวบเข้าสัมปติเตได้แก่ตกลงมาคำว่าอันน่ากลัวโคเรได้แก่มีรูปแปลกน่าสะพรึงกลัวคำว่าฟูงลิงประวังคเมได้แก่พวกลิงคาว่า เพราะไม่รู้จักเขตอเขตตัญญายะได้แก่ไม่ฉลาดในภูมิประเทศในป่าคําว่าจักมีแก่เธอพวิตันเตได้แก่จักเกิดแก่เธอคําว่าได้ยินเสียงสุนัขยาตวังศิวะยะสุตวานะได้แก่ได้ยินเสียงของสุนัขจิ้งจอกคําว่าเนืองเนืองมะหุงได้แก่ แม้เมื่ออยู่ในเมืองก็ตกใจบ่อยๆคำว่าเหมือนส่งเสียงสุนเตวะได้แก่เหมือนบัลลือคือส่งเสียงพระนางมัตสีราชบุตรีผู้มีความสวยงามทั่วพระวรกายได้กราบทูลพระเจ้าสัญชัยนั้นว่าพระองค์ทรงพระกรุณาตรัส บ, บอกสิ่งที่น่ากลัวอันมีอยู่ในป่าแก่กล้ากระหม่อมชั้นกล้าวกระหม่อมชั้น จักยอมทนต่อสู้สิ่งน่ากลัวทั้งปวงนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล้าวกระหม่อมฉันจักไปแน่นอนกล้าวกระหม่อมฉันจักแหวกต้นเป้งหญ้าคาหญ้าคมบางหญ้าแฝกหญ้าปล้องหญ้ามุงกระต่ายไปด้วยพระอุระกล้าวกระหม่อมฉันจักไม่เป็นผู้อันพระเวสสันดร น, นำไปได้โดยยาก อันว่ากุมารีย่อมได้สามีด้วยวัจริยาเป็นอันมากคือด้วยการอดอาหารตรากตรำท้องด้วยการทุบตะโพกด้วยไม้คางโคด้วยการอังไฟและด้วยการดำน้ำความเป็นไม้เป็นความเผ็ดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล้ากระหม่อมชั้นจกไปแน่นอน ชายใดจับมือหญิงไม้ผู้ไม่ปรารถนาฉุดคร่าไปชายนั้นเป็นผู้ไม่ควรบริโภคของที่เป็นเดนของหญิงไม้นั้นโดยแท้ความเป็นไม้เป็นความเผ็ดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล่าวกระหม่อมชั้นจักไปแน่นอนชายอื่นให้ทุกมากมายไม่ใช่น้อยด้วยการจับผมและเตะถีบจนล้มลงที่พื้นดิน แล้วไม่หลีกหนีความเป็นม้เป็นความเผ็ดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล้าวกระหม่อมชั้นจกไปแน่นอนพวกเจ้าชู้ผู้ต้องการหญิงม้ที่มีผิวพันผุดพองให้ของเล็กน้อยแล้วสำคัญตัวว่าเป็นผู้มีโชคดีย่อมฉุดคล้าหญิงม้ผู้ไม่ปรารถนาไป ดังฝูงกากลุ้มรุมนกเขาแมวฉะนั้นความเป็นไม้เป็นความเผ็ดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจรทัพกล่าวกระหม่อมชั้นจากไปแน่นอนอันว่าหญิงไม้แม้จะอยู่ในตระกูลญาติอันจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยเครื่องทองจะไม่ได้รับคันติเตียนล่วงเกินจากพี่น้องและเพื่อนฝูงก็หาไม่ ความเป็นม่เป็นความเผ็ดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล้าวกระหม่อมชันจกไปแน่นอนแม่น้ำไม่มีน้ำก็เปล่าดายแว่นแคว้นไม่มีพระราชาก็เปล่าดายแม่หญิงเป็นม่ก็เปล่าดายถึงแม้หญิงนั้นจะมีพี่น้องตั้งสิบคนความเป็นม่เป็นความเผ็ดร้อนในโลก ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล้าวกระหม่อมชั้นจักไปแน่นอนอันว่าธงเป็นเครื่องหมายแห่งรถควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นสง่าของเว่นแคว้นพระสดาเป็นสง่าของหญิงความเป็นเมื่อยเป็นความเผ็ดร้อนในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพกล้าวกระหม่อมชั้นจักไปแน่นอนหญิงจนผู้ทรงเกียรต ย่อมร่วมสุขทุกข์ของสามีที่จนหญิงมั่งคั่งผู้ทรงเกียรติย่อมร่วมสุขทุกข์ของสามีที่มั่งคัง่งเทพเจ้าย่อมสรรเสริญหญิงนั้นแหลเพราะเจ้าหล่อนทำกิจที่ทำได้ยากกล้ากระหม่อมชั้นจักบวชติดตามพระสวามีไปทุกเมื่อแม้เมื่อแผ่นดินยังไม่แตกสลายความเป็นม่ายเป็นความเผ็ดร้อนของหญิงกล้าวกระหม่อมชั้น ว่างเว้นพระเวสสันดรซะแล้วไม่พึงปรารถนาแม้แผ่นดินอันมีสาครเป็นขอบเขตทรงไว้ซึ่งเครื่องปลื้มใจเป็นอันมากบริบูรณ์ด้วยรัตนะต่างๆเมื่อสามีตกทุกข์แล้วหญิงเหล่าใดย่อมหวังสุขเพื่อตนหญิงเหล่านั้นเลวซามหนอหัวใจของหญิงเหล่านั้นเป็นอย่างไรหนอ เมื่อพระมหาราชาผู้ผดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญสเสด็จออกแล้วกล้าวกร่มอมชั้นจะขอติดตามพระองค์ไปเพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงแก่กล้าวกร่มอมชั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้กราบทูลพระเจ้าสันชัยนั้นตมะพราวิความว่าภิกษุทั้งหลาย พระนางมัสีได้สดับพระดำรัสของพระเจ้าสัญชัยแล้วได้ทูลตอบพระเจ้าสัญชัยนั้นคำว่าจักยอมทนอภิสัมโพษสังได้แก่จักสู้ทนคือจักอดกลั่นคำว่าโปตะกิลังแปลว่ายากมบางคำว่าจักแหวกไปปานูเหตุสามิได้แก่ มอมชันจากแหวกไปทางข้างหน้าพระเวสสันดรคำว่าด้วยการอดอาหารตรากตรำทอ้องอุทารสุปรโรเทนะได้แก่การงดคือกินอาหารแต่น้อยคำว่าด้วยการทุบด้วยไม้คังโคโคหนุเวทธทะเนนะความว่าเรากุมาริการู้ว่าสตรีที่มีตะโพกกว้างและสีข้างเวา้า ย่อมได้สามีจึงเอาไม้มีสันฐานเหมือนคางโคค่อยๆทุบแผ่นตะโพกเอาผ้ารัดสีข้างทั้งสองให้คอดย่อมได้สามีคำว่าเป็นความเผ็ดร้อนกะตุกังได้แก่ไม่น่ายินดีคำว่าจักไปแน่นอนคัดฉันเยวะได้แก่ต้องไปให้ได้คำว่าไม่ควรอัปัตโตได้แก่ ไม่สมควรจะบริโภคของที่เป็นเดนของหญิงไม้นั้นทีเดียวคำว่าชายใดหญิงไม้โยนังได้แก่บุรุษใดมีชาติต่ำชุดมือคร่าหญิงไม้นั้นผู้ไม่ปรารถนาเลยคำว่าด้วยการจับผมและเตะถีบจนล้มลงที่พื้นดินเกสัก ข, ขะหนะมุขเขปาภูมายาจะ ปริสมพนาความว่าเหล่าบุรุษจิกย่อมผมหญิงไม่มีสามีซัดให้ล้มลงด้วยมือและเท้าที่พื้นดูมินล่วงเกินหญิงเหล่านั้นคำว่าให้ทัตวาจะได้แก่บุรุษอื่นให้ความทุกข์เป็นอันมากคือมิใช่น้อยเห็นปานนี้แก่หญิงไม่มีสามีคำว่าไม่หลีกหนี โน no, ปักกะมะติได้แก่เป็นผู้ปราศจากความรังเกยียจยืนแลดูหญิงนั้นนั่นแหละคำว่ามีผิวพันธุ์ผุดผ่องสุกัดชวีได้แก่มีผิวพันธุ์ที่ถู ด, ด้วยจุนสำหรับอาบคำว่าผู้ต้องการหญิงไม้เวทะเวลาได้แก่ผู้มีความปรารถนายิงไม้คำว่าให้ ทัตวาได้แก่ให้ทรัพย์มีประมาณน้อยอะไรอะไรก็ตามคําว่าสำคัญตัวว่าเป็นผู้มีโชคดีสุภคะมานิโนได้แก่เข้าใจตัวว่าพวกเรางามเลิศคําว่าผู้ไม่ปรารถนาอะกามังได้แก่หญิงไม้คือหญิงไม่มีสามีผู้ไม่ปรารถนานั้น ข้อว่าดังฝูงกากลุ่มรุมนกเขาแมวฉะนั้นอุลูกันเยวะวายสาได้แก่เหมือนฝูงกาจิกคร่านกเขาแมวคำว่าอันเจริญรุ่งเรืองไปด้วยเครื่องทองกังสปัปโชตเนได้แก่รุ่งเรืองด้วยภาชนะทองคำว่าอยู่วสังได้แก่อยู่ในสกุล ญ, ญาติแม่เห็นปานนั้น ข้อว่าจะไม่ได้รับคําติเตียนล่วงเกินก็หาไม่เนวาติว่ากยังนะละเพความว่าพึงได้คือย่อมได้เลยทีเดียวซึ่งคําอันเป็นคําล่วงเกินคือเป็นคําติเตียนนี้จากพี่น้องก็ตามจากสหายก็ตามผู้กล่าวคําเป็นต้นว่ายิงคนนี้ไม่มีสามีตกหนักแก่พวกเราไปตลอดชีวิตทีเดียว คำว่าเป็นเครื่องหมายปัญญานังได้แก่กระทำภาวะให้ปรากฏข้อว่าหญิงจนของสามีที่จนยาทลิต ท, ทีทลิตทัศนะความว่าข่าแต่พระองค์หญิงที่มีเกียรติคือหญิงที่ในเวลาสามีผู้ยากจนของตนมีความทุกข์แม้ตนเองยากจนก็ร่วมทุกข์ด้วย ในเวลาที่สามีนั้นมั่งคั่งมีความสุขตนเองก็มั่งคั่งมีความสุขกับสามีนั้นเหมือนกันข้อว่าทวยเทพย่อมสรรเสริญหญิงนั้นแหลตังเวเทวาประสังสันติได้แก่แม้เทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญหญิงนั้นคือเห็นปานนั้นคําว่ายังไม่แตกสลายอภยิชันตยาได้แก่ไม่แตก อธิบายว่าก็แม้ถ้าแผ่นดินทั้งสิ้นของหญิงไม่แตกหญิงนั้นก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินทั้งสิ้นความเป็นหญิงไม้เป็นอาการเผ็ดร้อนแม้ถึงอย่างนั้นทีเดียวข้อว่าหญิงเหล่านั้นเลวซามหนอสุคราวะัตะอิทิโยได้แก่เป็นหญิงหยาบช้าหนอ พระมหาราชาได้ตรัส ก, กับพระนางมัตสีผู้มีความงามทั่วพระวรากายว่าแน่แม่มัตสีผู้มีสุภลักษ์พ่อชาลีและแม่กันหาชินาลูกรักทั้งสองของเธอนี้ยังเป็นเด็กเจ้าจงละไว้ไปเถิดพ่อจะรับเลี้ยงดูเด็กทั้งสองนั้นไว้เองบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าพ่อชาลีและแม่กันหาชินา ลูกรักทั้งสองชาลีกันหาชินาจุโผลได้แก่บุตรทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาคําว่าจงละไว้นิชคิปะได้แก่แม่จงละหลานทั้งสองนี้ไว้ไปแต่ตัวเถิดพระนางมัสสีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วพระวรกายได้กราบทูลพระเจ้าสัญชัยนั้นว่า เควะพ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสองเป็นลูกรักของหม่อมชันลูกทั้งสองนั้นจักยังหัวใจของหม่อมชันทั้งสองผู้มีชีวิตเศร้าโศกให้รื่นรมในป่านั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าลูกทั้งสองนั้นของหม่อมชันทั้งสองแต่ย้หังความว่าพวกเด็กๆ เ, เหล่านั้นจักยังหารุไทยของเราทั้งหลาย ให้รื่นรมในป่านั้นคําว่าผู้มีชีวิตเศร้าโศกชีวิโสกินังความว่าจากยังหารุไทยของพวกเราผู้ยังไม่หายเศร้าโศกให้รื่นรมพระมหาราชาผู้ผดุงแว่นแคว้นของชาวศรีพีให้เจริญได้ตรัสกับพระนางมัตสีนั้นว่าเด็กทั้งสองเคยเสวยข้าวสาลีที่ปรุงด้วยเนื้ออันสะอาด เมื่อต้องเสวยผลไม้จักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยเสวยในถาดทองหนักร้อยปะละซึ่งเป็นของประจำราชสกุลเมื่อต้องเสวยในใบไม้จักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยทรงภูษสากาศีรัตภูษาโคมรัตและภูษสาโกทุมพรรัตเมื่อต้องทรงผ้าคากรองจักทำอย่างไร เด็กทั้งสองเคยเสด็จไปด้วยคานหามวอและรถเมื่อต้องเสด็จด้วยพระบาทจากทําอย่างไรเด็กทั้งสองเคยบรรทมในเรือนยอดมีบานหน้าต่างปิดสนิทไม่มีลมเมื่อต้องบรรทมที่โคนไม้จกทําอย่างไรเด็กทั้งสองเคยบรรทมบนพรมอันปูลาดไว้อย่างวิจิตบนบัลลังก์ เมื่อต้องบัรทมบนเครื่องลาดด้วยยาจักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยลูบไล้ด้วยกฤิณาและจันหอมเมื่อต้องทรงละองทุลีจักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยดำรงอยู่ในความสุขมีผู้พัดวีให้ด้วยแซดจามารีและหางนกยูงต้องถูกเหลือบและยยุงกัดจักทำอย่างไร บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในถาทองหนักร้อยปะละสตะปะเลกังเสได้แก่ในถาดทองที่ทำด้วยทองหนักหนึ่งร้อยปะละคำว่าบนพรมอันปูลาดไว้อย่างวิจิตโคนเกจิตตะสันถัเตได้แก่ที่ปูลาดด้วยผ้าโกชาวดำและเครื่องลาดอันวิจิตบนต่างใหญ่ คำว่าด้วยแท่จามารีและหางนกยูงจามระโมรหะเถหิความว่ามีคนอยู่งานพัดด้วยจามอนทั้งหลายและด้วยแผนหางนกยูงเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นเจรจากันอยู่อย่างนี้แลราตรีก็สว่างดวงอาทิตขึ้นเจ้าพนักงานทั้งหลายนำรถพระที่นั่งอันตกแต่งแล้วเทียมม้าสินทบสี่ตัว มาเทียบไว้แทบประตูวังเพื่อพระมหาสัตว์พระนางมัตสีเทวีถวายบังคมพระสัตสุและพระสัจสุระแล้วอำลาสตรีที่เหลือทั้งหลายพาพระชาลีและพระกัญหาชินาสเสด็จไปก่อนพระเวสสันดรประทับอยู่บนรถพระที่นั่งพระศาสดาเมื่อจะประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่า พระนางมัตสีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วพระวรกายได้กราบทูลพระเจ้าสัรชัยนั้นว่าเทวขอพระองค์อย่าได้ทรงปริเทวนาและอย่าได้ทรงเสียพระหฤทัยเลยหม่อมชันทั้งสองจักเป็นอย่างไรเด็กทั้งสองก็จักเป็นอย่างนั้นพระนางมัตสีผู้มีความงามทั่วพระวรกาย ครั้นกราบทูลคำนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปพระนางผู้ทรงสุภลักษ์ทรงพาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามทางที่พระเจ้าสีวิราชเคยเสด็จบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตามทางที่พระเจ้าสีวิราชเคยเสด็จสิวิมักเคนะได้แก่ตามมัคหาที่พระเจ้าสีวิราชเสด็จนั่นแล คำว่าสเสด็จไปอันนเวสิได้แก่สเสด็จไปสู่ทางนั้นคือสเสด็จลงจากปราสาทขึ้นประทับรถพระที่นั่งลำดับนั้นพระเวสสันดรคติยราชครั้นพระราชทานทานแล้วถวายบังคมพระราชบิดาพระราชมารดาและทรงกระทาประทักษิณแล้วสเสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่งซึ่งเทียมด้วยม้าสินทบสี่ตัว ทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระชายาสเสด็จไปสู่เขาวงกฎบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าลำดับนั้นตะโตความว่าภิกษุทั้งหลายในการที่พระนางมัตสีนั้นสเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งประทับอยู่คำว่าครั้นพระราชทานทัตวานะได้แก่ทรงบาเพ็ญทานวันวาน คำว่าและทรงกระทาประทักษิณกัตวาจานังประทักษิณังได้แก่และทรงการเวียนขวาเคารพคำว่านังเป็นเพียงนิบาทลำดับนั้นพระเวสสันดรขติยราชสเสด็จเข้าไปที่หมู่ชนเป็นอันมากตรัสบอกลาว่าเราขอลาไปแล้วนะขอญาตทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีโรคเถิด เนื้อความแห่งคาถานั้นว่าภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระราชาเวสสันดรทรงขับรถพระที่นั่งไปในที่ที่มหาชนยืนอยู่โดยหวังว่าจะเห็นพระราชาเวสสันดรเมื่อทรงลามหาชนตรัสว่าพวกเราขอลาไปแล้วนะขอญาตทั้งหลายจงไม่มีโรคเถิดคำว่าตังในคาถานั้นเป็นเพียงนิบาศ ภิกษุทั้งหลายพระราชาเวสสันดรตรัสกับญาติทั้งหลายว่าญาติทั้งหลายเราทั้งหลายลาพวกท่านไปละขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขปราศจากความทุกข์เถิดพระมหสัส ต, ตรัสเรียกมหาชนมาแล้วประธานโอวาทแก่เขาเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทจงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้น อย่างนี้แล้วเสด็จไปพระนางพุสดีราชมารดาแห่งพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าลูกของเรามีจิตน้อมไปในทานจงบำเพ็ญทานจึงให้ทรงเกวียนทั้งหลายเต็มด้วยรัตนะเจ็ดประการพร้อมด้วยอาพรทั้งหลายไปสองข้างทางเสด็จฝ่ายพระเวสสันดรก็ทรงเปลื้องเครื่องประดับที่มีอยู่ในพระวรกาย พระราชทานแกเหล่ายาจกผู้มาถึงแล้วสิปครั้งได้พระราชทานสิ่งที่เหลืออยู่ทั้งหมดพระองค์เสด็จออกจากพระนครมีพระประสงค์จะเหลียวกลับทอดพระเนตรราชธานีครั้งนั้นอาศัยพระมนั์ของพระองค์ปัตพีในที่มีประมาณเท่ารถพระที่นั่งก็แยกออกหมุนเหมือนจักรของช่างโม ทำรถพระที่นั่งให้มีหน้าเฉพาะเชตุดอนราชธานีพระองค์ได้ทอดพระเนตรสถานที่ประทับของพระชนกพระชนนีเหตุอัศจรรย์ทั้งหลายมีแผ่นดินไหวเป็นต้นได้มีแล้วด้วยการุญภาพนั้นด้วยเหตุนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าเมื่อพระเวสสันดรเสด็จออกจากพระนครทรงเหลียวกลับมาทอดพระเนตร แม้ครั้งนั้นแผ่นดินอันมีขุนเขาสิเนรุและราวป่าเป็นเครื่องประดับก็วันไหวก็เมื่อพระมหาสัต์ทอดพระเนตรเองแล้วตรัสพระคาถาเพื่อให้พระนางมัสีทอดพระเนตรด้วยว่าเชิญดูเถิดพระนองมัสีพระราชนิเวศของพระเจ้าศรีวิราชผู้ประเสริฐนั่นพระราชมทียอันเป็นของพระราชบิดาของเรา ย่อมปรากฏเป็นภาพที่น่ารื่นรมทีเดียวบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเชิญดูเถิดนิสาเมหิได้แก่จงทอดพระเนตรครั้งนั้นพระเวสสันดรมหาสัตยังอามาตหกหมื่นคนผู้สหชาติและเหล่าชนอื่นๆให้กลับแล้วขับรถพระที่นั่งไปตรัสกับพระนางมัซีว่าแน่ พระน้องผู้เจริญถ้ายาจกมาข้างหลังแม่พึงคอยดูไว้พระนางก็นั่งทอดพระเนตรดูอยู่ครั้งนั้นมีพราหมณ์สี่คนมาไม่ทันรับสัตตสัตกะมหาทานของพระเวสสันดรจึงไปสู่พระนครถามว่าพระเวสสันดรราชเสด็จไปไหนครั้นได้ทราบว่าทรงบริจาคทานเสด็จไปแล้วจึงถามว่า พระองค์เสด็จไปเอาอะไรไปบ้างได้ทราบว่าพระองค์เสด็จทรงรถไปจึงติดตามไปด้วยคิดว่าพวกเราจะทูลขอมาสี่ตัวกับพระองค์ครั้งนั้นพระนางมสัสีทอดพระเนตรเห็นพรามทั้งสี่คนตามมาจึงกราบทูลพระพสดาว่าข้าแต่สมมุติเทพยาจกทั้งหลายกำลังมาพระมหาสัตว์ก็ทรงหยุดรถพระที่นั่ง พรามทั้งสี่คนเหล่านั้นมาทูลขอมาทั้งหลายที่เทียมรถพระมหาสัตว์ได้พระราชทานมาทั้งสี่ตัวแก่พรามสี่คนเหล่านั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพรามทั้งหลายได้ตามพระเวสสันดร น, นั้นไปพวกเขาได้ทูลขอมากับพระองค์พระองค์อันพรามทั้งหลายทูลขอแล้ว ก็พระราชทานม้าสี่ตัวแก่พรามสี่คนก็เมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้าสี่ตัวไปแล้วงอนรถพระที่นั่งก็ได้ตั้งอยู่ในอากาศนั่นเองครั้งนั้นพอพวกพรามไปแล้วเท่านั้นเทพปรบุสี่องค์จำแรงกายเป็นละมั่งทองมารองรับงอนรถพระที่นั่งลากไปพระมหาสัตว์ทรงทราบว่าละมั่งทั้งสี่นั้นเป็นเทพบุตบุ จึงตรัสคาถานี้ว่าแนพระนองมัตสีเชิญเธอทอดพระเนตรมรึกทั้งสี่มีเพศเป็นละมั่งเป็นเหมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วนำเราไปย่อมปรากฏเป็นภาพที่งดงามทีเดียวบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นเหมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วนำเราไปทักคินัสสาวหันติมัง ความว่าเป็นราวกะมะที่ฝึกฝนดีแล้วนำเราไปครั้งนั้นยังมีพรามอีกคนหนึ่งมาทูลขอรถพระที่นั่งต่อพระเวสสันดรผู้กําลังเสด็จไปอยู่อย่างนี้พระมหาสัตย์จึงยังพระโอรสพระธิดาและพระราชเทวีให้เสด็จลงแล้วพระราชทานรถแก่พรามนั้น ก็ครั้นเมื่อพระมหาสัตว์พระราชทานรถพระที่นั่งแล้วเทวบุตรทั้งหลายได้อันตรธานหายไปพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความที่พระโพธิสัตว์ทรงบริจากรถไปแล้วจึงตัดว่าต่อมาพรามคนที่ห้าในที่นั้นได้มาขอราชรถกับพระองค์พระองค์ทรงมอบรถให้แก่เขาและพระทัยของพระองค์ไม่ได้ย่อท้อเลย ลำดับนั้นพระเวสสันดรขติราชให้ขนของพระองค์ลงแล้วทรงยินดีมอบรถมา้าให้แก่พรามผู้สแสวงหาทรัพย์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าต่อมาในที่นั้นอทิฐะได้แก่ครั้งนั้นในป่านี้ข้อว่าพระไทยของพระองค์ไม่ได้ย่อท้อเลยณนะจัดสะ ปะาโตมะโนความว่าและพระหฤลุไยของพระเวสสันดร น, นั้นก็ไม่ได้ยอ่อหย่อนเลยคำว่าทรงยินดีมอบอัศาสสายได้แก่ทรงให้อย่างยินดีจำเดิมแต่นั้นกษัตริย์เหล่านั้นทั้งหมดก็เสด็จดำเนินด้วยพระบาทลำดับนั้นพระมหาสัตว์ได้ตรัสกับพระนางมัซีว่า แน่แม่มสัสีเธอจงอุ้มกันหาชินาผู้เป็นน้องคงจะเบาวกว่าพี่จกอุ้มชาลีเพราะชาลีเป็นพี่คงจะหนักก็แลครั้นตรัชนีแล้วกษัตริย์ทั้งสองก็อุ้มพระโอรสพระธิดาเสด็จไปพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระราชาทรงอุ้มพระโอรส ส่วนพระราชบุตรีทรงอุ้มพระธิดาทรงยินดีร่วมกันดำเนินตรัสปรสาศัยด้วยคำอันน่ารักกักันและกันธานการดววนนาจบ